จิตโฟกัสกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจิตเป็นธรรมชาติที่สามารถโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่จิตใครจะโฟกัสกับอะไรเมื่อไรก็ได้จิตคนทั่วไปมันถูกควบคุมด้วยพลังลึกลับไม่เป็นตัวของตัวเองพอจะโฟกัสกับสิ่งใดตามปรารถนาได้เสมอไป ก็ถ้าสามารถโฟกัสกับอะไรก็ได้ตามปรารถนามาแต่เกิดทุกคนคงเลือกมีสมาธิกับการอ่านหนังสือเรียนไม่เควไปกับเหยื่อล่อใจคงเลือกที่จะรักคนดีเลือกรักคนหลายใจคงเลือกที่จะสนใจสาตร์ที่เหมาะกับความสามารถไม่ใช่สุ่มเรียนมั่วแต่เพราะปล่อยให้พลังลึกลับบงการชีวิตแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้คนส่วนใหญ่จึงใช้ช่วงชีวิตที่เหมาะกับการเรียนรู้ไปหลงเพลินเอาสนุก คนส่วนใหญ่รู้ทั้งรู้ว่าจะรักใครดีแต่กลับจดจอ่อหลงรักคนที่ไม่ควรรักคนส่วนใหญ่เลือกเรียนรู้แบบไหลตามกันไม่ใช่รู้จักตัวเองให้ดีบางช่วงชีวิตเหมือนจิตไม่อาจโฟกัสกับเรื่องหนึ่งแต่พอข้ามช่วงชีวิตนั้นมากลับเหมือนสามารถโฟกัสได้อย่างดีคล้ายต้องรอให้โอกาสทองมาถึงมือซะก่อนจึงมีสิทธิ์คว้าได้ ในทางกลับกันบางคนชีวิตเหมือนสามารถโฟกัสกับเรื่องหนึ่งแต่พอข้ามช่วงชีวิตนั้นมากลับไม่อาจโฟกัสได้เลยคล้ายเมื่อโอกาสทางจิตมาถึงแล้วไม่ควา้าโอกาสก็หลุดลอยหายไปเลยด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงกล่าวว่าคนเราเป็นไปตามแรงซัดของกรรมเก่าเมื่อวิบากมืนบีบคั้นก็อาจหันไปโฟกัสกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ราวกับว่าถ้าเมฆหมอกความมืดครอบงามนานแน่นพอก็มีสิทธิ์อยากรับประทานอุจาระขึ้นมาได้ลงทำผิดศีลผิดธรรมได้ไม่จำกัดกระนั้นศา ส, สนาพุทธก็ให้กำลังใจกับทุกคนว่าจิตเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกได้ดัดเบี้ยวให้กลายเป็นตรงได้ห้ามตัวเองไม่ให้โฟกัสกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ หันไปโฟกัสกับเรื่องที่เป็นกันสารของชีวิตได้และกระทั่งตื่นรู้เข้าถึงสภาพชีวิตชั้นเลิศได้ทุกอย่างรวมลงที่าศาสตร์มหาสัรจ์ของพุทธคือการเจริญสติผู้ฝึกสตินานพอจะเห็นจิตเป็นของฝึกให้ดีขึ้นได้รับมืดเป็นสว่างได้เปลี่ยนยาเป็นประณีก่อนตายได้จริง